ทำทุกบททุกบ า, าทห า, าพวกเราที่มีพิจารณาจริงจังเส้ <c oughs> นของถี่เล็กเส้นมีคาหมายสร้งฝังจริงจริงจังจั ง, งผู้ที่มีปัญญาสามาาแม่ทาแน่จะบทโยวบาทเดียวก็อธิบายไม่มีวันมีเวลาที่จะจบสิ้นไปได้แต่สิ่งอย่างไรกาก็ตามจะาเ ม, มาื่อจะน้อยจะท่าไอะไรก็าตามก็เหมือนกันกับดินฟ้าอาสาก เราจะไปทขวดถึถงในได้ก่ตอตามแค่ของของเราอยู่เราอาศัยสะดวกสบายในตัวของเราพอพอเราต้องไปขวดถึถงเราต้องไปเกี่ยวข้องั่วดไปอาหารมันจะไมากเท่าไรก่อตามเรารับประทานอื่นแล้วเป็นพอเราต้องไปหาไปเหือ่อยไปแบกไปหามยานีมากขนานสักเท่าไรก่อตาม สิ่งใดถือวเราเรากะนามาแก้ไขมารับประทานดาส่วนนั้นให้โรคไายภายในตัวของเราหายมีคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากมายตายฟองหรือจ้งขังสัตว์อะไรต่อกานส่วนใดที่จุดใจของเรามันสัมผัสส่วนใดที่เราจะจะนาําทําส่วนนั้นได้รับความสะดวกสบายได้รับความสงบเงีย ล้วก็นำเอาแต่สิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติแก่ใจของเราเนให้ใจของเราได้รับความสุกความสบายต้นจากที่เหลือกันหาเป็นพอในต่องไปที่นี้ที่เจ้า่ะคู่ออกไปในโกปรธาทีเจ้าน่ะให้รวมลงขิดใจรักอะไรทุกอย่างเป็นอนิจจ์อะไรทุกอย่างถ่ายยึดมั่น รือมันเกิดทุกและอะไรที่อย่างในใจของของเราทาก็เป็นทมตังางทางแหกจิตใจของเราหลุดพ้นไปจริงจางทาก็เป็นทำต่งางในใจเราเราก็ไม่ใจทำจริงๆไม่ใสทำคืออะไรเราเ็้าใจทำมานะตาติทานวะสัพเพพมานะตา แม้ว่าทำที่เป็นด้านวัฐุหรือด่านนามะทำเป็นอนัจจารงนั้นแต่จริงที่มาเห็นว่าสัพเพธรรมานาาัตตาคืออะไร ท, ท, ท่านเข้าใจแก่มใครัดเจนอันนั้นจะสมมติมว่าอะไรคนทิ่รู้คนที่เข้าใจไม่กล้าที่จะสมมติจะสมมติ อ, มอะไรไม่ถูกทางนั้นเพาะสมมติมเป็นอย่างหนึ่งของธรรมชาติ ที่เหนือสมมดมันเป็นอีกอย่างท่านไข่ใจทัดนเห็นเห็นไปจากอย่างนั้นท่านจึงว่าสัพเทธ ร, รมานาจารเราทั้งหลายจะไปเอาสัพเทธ ร, รมานาจารสเดียวอะไรก็เป็นาจารา์ไม่ต้องเกี่ยวข้องปล่อยตา ล, ละเลยไปหมดไหว้พระเศียรมนเดินตรงกรมเพาะว่าเนี่ยทำานที่ต้องปฏิบัติอะไรไม่เอาผ่านเท่านั้นเพราะ เขาพุทธเจ้าอ่ะกับเทํรมานะตาจะไปยึดอะไรจะไปซื้ออะไรแต่จริงคือในรู้กับเทธรรมานะตาซื้ออะไรเราจังไม่ใส่ใจเราปล่อยจริงไปหมดมันเสียเราต้องเกาะต้องอาศัยทำทำสั่งสอนไปเที่ยก่อนในเหนื่อยเราจังหนึ่งได้หนึ่ถึงไปเทียวไต่ปฏิบัติไต่จริงได้ทีเราต่อพุทธปฏิบัติได้รับความสุขความสบายทังตายทั้งใจ <errado. S 2> ถูกต้องตามธรรมยุนายนของพระพุทธเจ้ารีบประพฤตปฏิบัติเราได้ทํามากอะไรจิตใจของเรา่งแจ่มใายิ่งแด่รับท e. like ํากสะดวกสบายไม่ม <wnie> ีการตันติิตเปตี่ยนตัวของตัวว่าชั่วอย่างนั้นเสียอย่างนี้ถ้าราไม่ได้ทําคํามดีอะไรวันนี้ก็ไม่ได้ทำวันหลังๆก็ไม่ได้ทอะไรต่อไม่มีขึ้นดีในตัวคิดถึงคามชั่วที่เป็นในสังคมเกียวขวงเรือย พูดไปทำเราก็เกิดความเดือดร้อนเหมือนกันกับโจรถึงเจ้าของทรับย์จะไม่มาเจอเท่ามันจะต้นเขาไปขโมยเขาใจเขามันจะเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะสะดวกสบายเพรามันจะทำํำตามขั้วเอาไว้ตามั้วแขบเขาใจต้องใหม่ดีเส ม, ม, มอไปเจอเราตอที่นี่ที่แกนะหาทางแก้ไขหาทาง จะทำบำเพ็ญทำดีใ้จิตใจสุ่มสิทธิเบกบานอาศัยเกาะเรื่องของธรรมนี่ไปเสียก่อนจนไปถึงจุดเหม่ปลายทางเราจะวางจึงละจึงตอจึงถอนจึงปล่อยได้เห็นว่ากับเททำมาอานาตากิงจังกิงเถยวไปไหว่าจึงคือเป็นรูปหรือเป็นนามธรรม เป็นอนัตตาจริงจังได้ในเมื่อเรารู้เราเข้าใจเรื่องของจิตจริงจังนี่เรายังไม่รู้จักเรื่องของจิตงจะเห็นแต่แสงเานั้นตัวไปเป็นอย่างไรในมองเห็นในเข้าใจแต่มันแสงมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเราเห็นแต่แสงเท่านั้น เรื่องขอจิดจริงจังกับคำนองเดียวกันเราใจพอใจเราเล็กคิดต่างๆทำรู้ต่างๆเป็นเรื่องของจุด่จิดจริงๆเรารู้จักเม่รู้จักกรมีการที่จะเห็นแในเรื่องของจเาตองเห็นแก่ต่แของมันหรือแสบของมัน ฟูงแรงต่างๆใจว่าเรามีจิตนใจโยยจิตใจเรายังไม่พอไปถเรายังใมเพาไปเห็นเรื่องของจิตของใจเห็นจิตเหนใจจริงจัอะไรทั่วไปที่มันเกิดขึ้นจจิตใจใจเราต้รู้จักอะไรที่มันไม่ใส่เรื่องของจิตของใจคือมันจะเกี่ยวข้องธรรมดาเราต้รู้จักการปฏิบัติมันก็ง่ารู้จักคนในบ้านรู้จักถ้าา คนในบ้านก็ไม่รู้จัดแฉก็ไม่รู้จักเลยไรู้อย่างไรกว่าจะทําการปฏิบัติต่อไปนี่เรื่องของอารมณ์ภายนกกอก เ, เ, เราก็ไม่รู้จักเรื่องของอารมณ์ภายในเราก็ไม่รู้จักอะไรเป็นที่โยชน์เราก็ไม่รู้จักอะไรเป็นทําเราก็ไม่รู้จักเราจะประเทปฏิบัติตัวของเราให้ถูกต้องก่อยากการประเทปฏิบัติมันประเัติ คือบัติไปใจละเอียดเท่าไปเท่าไรจะได้รับความรู้ความเห็นเป็นไปเป็นเรื่องของจิตจริงจังว่าเรื่องความปรงเป็นอย่างไรอย่างสัญญาอารมณ์เป็นอย่างไรอย่างเทวนาเป็นอย่างไรขันทั้งห้าสีทั้ะพุทเจ้าอนึ่งใส่ตนเป็นอย่างไรใครใจชัดเจนมันจะสะดวกสบายแค่นั้น ไม่รู้ว่าอะไรเป็นขันอะไรเป็นจิดมันลำบากเราจังนี่ยปั่วกองเป็นอย่างนั้นน้ำใสมันก็อใสอยู่ในน้ําคุณนั่นแหละถ้าเราปั่นดีแล้วกองดีแล้วคุณมันก็หมดไปตกไปเป็นตสมเป็นเลนดูสิส่วนน้ำมันก็ใสแจ๋วคือ เ, เราออปาั่นออกก็ได้มันเป็นอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านฮ้าหากเราเอาทำ ทำส่งสอนเข้าไปสั่งกองอยางก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะใสจะสะอาดเดือนนั้นการปฏิบัติการที่นึกที่เจริญการอบรมจิตใจของตนจึงขอเทิญทุกท่านทุกคนมันที่นึกที่เจริญมันปฏิบัติหาเรามันปฏิบัติมันสลายสายสังจิตใจของตนอยู่ทุกวันทุกเวลาของดีมีค่า คือยี้มมดหรือยี้มดคิ้วำจะเกิดขึ้นให้เราประจากแค่เสียงในตัวของพวกเราในวารสารตางที่ดาวทำขอบุญสุขสนและคุนพระรัตนกรตรงคุ้มครองรักษาพวกนักปฏิบัติั่วไปให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ เดือดฟัง ท, ทุกเรืนหน้าเธอเองแต่เมื่าาอไปจะได้อธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้าสู่กันฟังธรรมะของพระพุทพธเจ้าเป็นของที่อธิกฐานอย่างหนึ่งมีอายุยืนนานมาถึงสองพัน ห้าร้อยกว่าปีแต่จากคำคำสอนของบุคคลผู้อื่นคำพูดโดยส่วนใหญ่ที่ชาวไทยของเรานิยมกันยอมเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยส่วนคำคำสั่ ง, งสอนของพระพุทธเจ้ า, จานั้นยังคงที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะ คำสอนเป็นสัจธรรมคือเป็นของจริงของจริงจะเป็นการใดสมัยใดกกจริงคงที่อยู่อย่างนั้นไม่มีวันแป่ยขันแต่เป็นอย่างอื่นส่วนของจอมของย้อมหรือของแสงจะไม่สดใสอยู่ส่วนการส่วทางจากนั้นไปก็ เสียสีเหมือนของย่อมธรรมดาของย่อมย่อมใหม่ๆก็มีสีสดใสท่านชายไปนานสีสีย่อมกว่าหายไปนี่คือของใหม่ส่วนของจริงของธรรมชาติทีอย่างไรก็ยังคงที่อยู่อย่างนั้นไม่มีมแปรผันไปเป็นอย่างอื่นทำคำต่างๆของพระพุทธเจ้า เป็นสัจจะธรรเป็นของจริงอย่างนั้นจึงไ่แปรฝันใจตามยุคตามสมัยตามกาล ต, ตามเวลาแต่ผู้กระเพิดปฏิบัติย่อมึ้นๆลงๆในคงที่บางทีบางชาติาผู้กรเพิดปฏิบัติต่างหน้าต่างตากระเพิดปฏิบัติกันจริงจังจะยอมได้รับมรรคผลบางชาตบางสมัยคนไม่สนใจในธรรมะ ทำนะก็อัดเสาลงไปเพราะไม่มีผู้ต่างใจต่อพฤติปฏิบัติเป็นยุคเป็นสมัยอยู่อย่างนั้นแต่ส่วนสัจธรรมคํำต่างสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังคงที่เพราะเหตุใดจึงคงที่เพราะเป็นของจริงเช่นแผ่นฟ้าอ่ะทุกทุกกวาีจริงประจําสัตว์ประจําสังขารสุดวัวไปไม่ว่ากาลใดสมัยใดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือ ไม่อุบัติขึ้นทุกคนมีอยู่ประจำพัาใจประจารสัตว์ประจําทั้งฐานอยู่อย่างนั้นถ้าพระทร้ยเจ้าปรีณิพานไปความทุกข์ก็ยังคงที่มีมแปลขันไปเป็นอย่างอื่นเหตุนั้นทุกข์ที่แท้เป็นของจริงจริงๆอยู่ทุกการทุกเวลาแต่มีเวลาใดที่จะล่าสมัย ที่เป็นว่าทุกทุกคนยอมรู้จักเพราะเหตุใดเพราะทุกมีประจําตายประจําใจของเราทุกทัานทุกคนมีทุกนิกิจทุกหรืออาขันทุกข์แทุกนิจเจทุกหมายถึงทุกประจําขาดประจําขันที่เรามองไม่เห็นกันเราเป็นทุกเพราะเหตุที่เราเยียวยาหรือรักษาอยู่ทุกการทุกเวลา อย่างเล่านั่งมากๆปวดข้อแสดงขึ้นปวดแส้งปวดาขาปวดหลังปวดเอวเต้าเดินมากๆปวดข้อแสดงขึ้นอริยบททั้งสี่เป็นยาสําหรับบําบัดทุกข์แต่เฉพาะอริยบปทั้งสี่ก็ยังไม่พออาหารการกบขันอยู่กินทุกอย่างก็เรื่องบําบัดทุกข์ถ้า่อนท่อนสบายยุทีอยู่ที่อาศัยก็เป็นเรื่องบําบัดทุกข์เหมือนกัน ทางหากไม่มีจริงเหล่านี้เป็นเครื่องแก้ไข ท, ทุกของมนุษย์เราจะทุกมากขนาดไหนเส้นเรานั่งเรียบทเดียวจะนั่งพับเทียบหรือนั่งถัรสมาธ์ต่อตามนั่งนานๆไม่ถึงวันถึงคืนก็จะแสดงขึ้นเรื่องของทุกทุกที่แสดงขึ้นเกิดขึ้นจากการไม่เปลี่ยนเรียบท เหตุนั้นการเปลี่ยนียบุตรจึงเป็นยาสําหรับบําบัดทุกข์ส่วนการส่วนเวลาไปแต่จะห น, นีจากทุกข์นี้ไปในอย่างเช่นเรานั่งเหนื่อยไปเปลี่ยนอียบุเป็นยืนเป็นเดินไดยเฉพาทุกข์ที่นั่งก็หายไปแต่ไปยืนไปเดินนานๆเข้าทุกข์กลับเข้าไปหายืนหาเดินอี ก, กต้กลับมานั่งมานอนนี่เป็นเรื่องของนิดพกทุกข์คือทุกขเป็นเนื้งนิด ถ้าหากแม้ที่นี้พิจรารณาก็อคอยใจว่าชีวิตชีวาของเราด้วยร่างกายของเรามีความสุขความสบายถ้าหากทรณาแยบชายในร่างกายของเราทุกขั้นทุกคนมีทุกประจําอยู่อย่างนั้นที่เป็นยึดจะทุกนี่หละเป็นทุกที่แก้ไขไม่หายหายได้ตัวการต่วเวลานนเท่านั้นเหิดนั้นเราจึงไม่มีวันมีเวลาที่จะเอา ชนะจากทุกได้ถ้าหาก ม, มีขาดนีขันอยเมื่อไรทุกจะต้องติดตามขาดขันของเราไปอยู่เมื่อนั้นมันมีวันมีเวลาที่จะได้รับความสุขความสบายทุกคือเป็นนิจเจทุกพอคอยยังชั่วเพอป้องกันตัวได้เส่็จหิ้วเราก็หาขา้าว้าอาหารมารับประทานตามหิ้วจิตทาให้เราทุกข์กาหาใหยไปเจ็บปวดวเราเปลี่ยนอิริยาบถหรือห้ หยุคหายยามาแก่ปวดเพื่อการช่วเวลาก็หายไปถ้ายังไม่ถึงตายถึงสมัยที่จะลมหายตายไปย่อมมีการหายอย่างนั้นแต่อารทัทุกข์ทุกข์คือทุกจรเป็นของสําคัญเราจะเปลี่ยนอิริยาบถมันก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าหากอาษษการทุกข์ทุกข์ส่วนใหญ่มาประจําเราเช่นเช่นต้นว่าปวดท้องหรือปวดหัวหรือปวดหลังปวดเอวหรือเป็นไข้ ยังไดอย่างหนึ่งหนัหนกๆเข้าทุกค่วนนี้ชาหากหนักเข้ายังต่เราจะยืนหรือจะนั่งก็ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้เพราะความทุกข์ส่วนใหญ่เพราะาามาเบียดเบียนร่างกายของเราทุกเป็นของมีอยู่อย่างนี้ที่เป็นทุกข์ประจําขาดประจําขันทั้งอาขันสุกตะทุกและมิจเทุกมีประจําอยู่พระพุทธเจ้า ให้พวกเราพุทธบริษัท่วไปทีนี้พิจารณาเรื่องของทุกข์ทำไมถึงพิจารณาเรื่องของทุกข์เพราะเราอยากจะหนีจากทุกข์ทุกคนไม่ปราถนาทุกข์ทุกคนไม่ยินดีในทุกข์เกลียดนายทุกข์แต่เพราะว่าทางที่จะหนีจากทุกข์เรายังไม่มองเห็นเพราะการเราที่นี้พิจารณาเรื่องของทุกข์ ไม่เพียงขอยึดใจในเดือนหนาชาติติลูกขาชาลาติลูกขามรณะติลูกขังที่ท่านพูดไวเป็นธรรมะสองพระพุธทธเจ้าสําหรับในพวกเราคี่นิจจารย์นาทุกขฐานี้เกิดทวามแก่ก่อตามมาความเจ็บไข้ด้วยความร่วมตายก่อตามมาเมื่อมันมีอยู่อย่างนี้อะไรเป็นเหตุให้แก่ให้เจ็บ ใ, ใ, ให้ตายก็คือเกิด เกิเดเทเบย์มันถึงมีเกิดเราอยู่ที่นี้ทิจารานาและเราก็ชอบใจแค่อีกเรื่องของเกิดและเรื่องของความเป็นอยู่แต่ไม่ชอบใจเรื่องของทุกข์เราไปแก้เอาผลของมันแทนเหตุไม่อยากแก้กันถ้าพุทธเจ้าขันจึงสืบสอบที่นีิจารานาเดือดเขาองค์เองเห็นบ้าเรื่องของทุกข์จะเกิดขึ้นจากอะไรขันที่นี้ทิจารานาไปเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้น จากสมุทัยสมุทัยคือเรื่องของใจใจนั่นแหละเป็นทุกข์ใจนั่นแหละกะังกวนกังวลใจนั่นแหละเป็นของขีดเดือดร้อนทุกข์เกิดขึ้นจากเรื่องของใจเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสาคัญเราจะที่นี้ที่เรณาได้เป็นเรามีบ้านอยู่อาหารการกินบริโภค ทุกสิงทุกอย่างเชิอ ง, องอุปโภคบริโภคสมบูรณ์บริบูรณ์แต่เทา่าเราก็ยังมีทุกอยู่ทุกส่วนนี้เรียกว่าทุกเกิดจากใจอยากว่าสมุทัยคือใจของเรายังมุ่งมากกาธนาอยากได้ในนี้ในนี้เนืองพอได้มาเท่าไรก็ยังไม่จุใจยังพอไม่เต็มอิ่มไม่เต็มเกตุนั้นทุก เรื่องของส ม, มุทัยนี่แหละเป็นทุกข์ใหญ่ทุกโตกุกจนนั่งไม่ได้นอนไม่หลับก็มีโรคใครๆเกียส่วนอื่นไม่มีแต่ทุกเรื่องของใจที่มันปรุงไปคิดไปในเรื่องต่างๆทําทุกข์ให้แก่เจ้าตัวเป็นส่วนใหญ่ทุกเกิดจากส ม, มุทัยนี้เป็นเรื่องทุกข์ของใจส่วนทุกเกิดจากตายที่มันถูก เย็นมามันก็เป็นทุกข์ร้อนมากมันก็เป็นทุกข์หนี้ปัญหามันก็เป็นทุกข์แต่ยังพอเยอียวยารักษาไดา้ส่วนทุกข์เกิดขึ้นจากใจจะต้องอาศัยทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเข้าไปจับเข้าไปทีนี้ที่เบลนาะเข้าไปแก้ไขปัญหาปัญหาแล้วความอยากความอยากของเรามันมากเอาเรียกเกินมากจะจึงทั่วไป้างหาก เราอยากอย่างไรแล้วความเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นโลกอันนี้ไม่มีบุคคลผู้อื่นจะอยู่ได้เพ่ยงแต่เราคนเดียวกนเต็นไปแล้วในโลกอันนี้คิดไปปรุงไปอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้นปรุงไม่มีวันไมีมเวลาที่จะอยู่จะหย่ยอนความอยากเข้าใจ อ, อย่างนี้เอ่ะท่านอยากว่าสมูทไทยซึ่งเป็นส่วนที่จะแก้ไขได้ถ้าแก้ไขสมูทไทยหมดความอยากเมือ่อใด คามทุกขภายในใจก็จะดับลงไปหายลงไปเหลือแต่เรื่องทุกข์ของตายเรื่องทุกข์ของตายก็มีวันมีเวลาที่จะหายไปได้เพราะกายแตกกายดับเมื่อใดความทุกข์ก็จะหายไปเองส่วนทุกข์ของใจยถ้าหากไม่แก้ไขไม่ประพฤตปฏิบัติไม่ทินิชที่จะใดน่ไม่มีวันมีเวลาไม่มีทศใบชาดใดที่จะหายไปได้ทุกทางตายจะเกิดข well, er ึ pools, ้น เพราะเรื่องทุกข้องใจเป็นส่วนใหญ่เพราะเมื่อเรามีกิเลสตัณหามานาทิฏฐิมีอวิชาตัณหาอุปาทานจะต้องทำกรรมกรรมที่เรากระทำเป็นเหตุให้เกิดสุขเกิดทุกข์ต่างๆตามเหตุของการกระทำของนตนเกิดนั้นเรื่องท้องใจเป็นของสาคัญ เราจะเก venes, ิดเพราะเรื่องของใจเพราะไม่เบื่อหนายเรื่องของความทุกข์ไม่ที่นี้พิ่เจรณาเรื่องของความทุกข์เห็นแใจว่าเป็นสุขสนุกสนานเกิดขึ้นมาไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายแต่เท่าว่าอยากเกิดมันก็ห้ามไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะธรรมดาของความเกิดจะเกิดเป็นสัตว์ประเทศใดก่อตามเป็นมนุษย์เป็นเทวบุตรเทวดาต่อต่างจะต้องนีความแก่ความตายเป็นธรรมดาของมัน สิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าหาสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับอยู่ในตัวของเรามีไหมพระพุทธเจ้าท่านค้ น, คนพบสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับท่านจริงเป็นผูเดด้เปิดเผยด้วยเศษสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือเรื่องของใจนั่นเองใจที่ชำระใจที่แก้ไขใจที่ที่ิจจารนาธรรมะพอตัวของมันแล้ว จะไ ม, มีการเกิดไม่มีการดับความไม่เกิดไม่ดับทาง่าวาเป็นสุขอันยิ่งยั่วเกิดนั้นพวกเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทอยากจะประสบพบของดีวิเศษอยากจะประสบพบความสุขอันเลิศที่ใน่มีวันมีเวลาที่จะเสี่ยมเสียแล้วก็จะต้องตั้งหน้าต่งตางๆที่นี้ที่จรณ า, าหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ มันมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเช่นความรู้ความรู้ของเรานี่ไม่เกิดไม่ดับถึงเรานอนหลับเราก็ยังรู้ว่าเรานอนหลับอยู่เราหลงเราก็รู้ว่าเราหลงอยู่ความรู้อันนี้แปลกประหลาดมีอยู่ทุกการทุกเวลาแก้ที่ไหนเราถึงไม่มีความสุขเรามีความรู้อยู่เพราะความรู้ของเราไมเกี่ยวพนกับสิ่งที่เกิด <c oughs> ถ้าหากความรู้ของเราไม่เกี่ยวนกับสิ่งที่เป็นข้าศึกเคยี่เรตปัญหาความรู้อันนั้นจะไม่มีวันมีเวลาที่จะมีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความรู้สึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐพิเศษมีอยู่ทุกท่านทุกคนแต่หากฝึกฝนหรืออบรมยังไม่ได้ความรู้ยังเกี่ยอยู่กับคิดกับใจเหมือนกันกับเกือกตับมัน ธรรมดาเือกมันทาหากเราจะขบจะฉันจะอยู่จะกินโดยในมีวิธีการทําให้มันสุกเสียก่อนแต่กินยากเดี๋ยวจะเป็นพิษเป็นไข่เกิดทันหรือเกิดเบื่อขึ้นทางหาผู้สลาดนําไปต้มไปเผาเสียจนพิษไข่ในเปือกในมันหัวนั้นหายไปเหลือแต่เปลือกแต่มันธรรมชาติ เรามาขบมาฉันมาอยู่มาชินก็เอาเร็จออดไม่เป็นทิศเป็นไทยนี่ฉันใดความรู้ของเราที่เกียรตปนไปด้วยทีเลือปัญหาจึงยังใช้นด้เราต้องชำระสระสารทีนิดที่จะรียนนะชำระเรื่องกิเหลือปัญหาออกจากความรู้ของเราจนเหลือแต่ความรู้ล้วนๆไม่มีสิ่งอื่นเข้าไปเกียรตปนความรู้ส่วนนั้นแหละเป็นความรู้ที่หลุดพ้นไปจากกิเหลือปัญหาความรู้ส่วนนั้นแหละจะได้กลับมา เหตุนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสำคัญควรพวกเราทุกท่านจะทีนี่พิจารณาธรรมะ ข, ของพราผู้ใเ จ, จ้าทางหากที่นี่พิจารณาลึกซึ้งเข้าไปเท่าไหร่จิตใจละเอียดเข้าไปเท่าไรจะเห็นอัตยัญเข้าไปเท่านั้นไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีสถานที่เป็นของบิดีของดีของสิ่งเสิดที่เหิดอยู่อย่างนั้นธรรมะของท่านจึงไม่ลาสมัยเหมือนกันกับคําสอน ผัวไปหรือทำผูดผัวไปเราทุกท่านจงสนใจจงพิจิธิการณาให้รู้ให้เข้าใจเรื่องธรรมะที่ว่าเป็นของขอดดส่วเติวพิเศษอย่าเป็นแต่เพียงอยากจะไปสอบพบสุขแต่ไน่ไปพะสูจปฏิบัติความสุขที่เรามุ่งมาตาานาก็ย่อมไม่เกิดขึ้นไม่เ่นขึ้นถ้าหากคู้ใด ทนีิที่จะนาขับไล่ที่เตตนตปัญหาอวิชาอุปาทานออกจากผู้ผู้เป็นผู้เด่นเบืองอยู่ไม่เกียปนไป ด, ด้วยอวิชาตัญหาอุปาทานเมื่อใดผู้นั้นแหละจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญไม่มีความทุกข์อย่างไรมาเกี่ยวนได้เหตุนั้น ขอทุกท่านจงคิดนิพิจารณาผูรู้ก็มีอยู่ในตัวของเราไม่พึ่งเจ้าก็เนตไปหามาจากที่อื่นพระองค์ประพฤติปฏิบัติจนรู้จนเห็นจนผูไมาเกืยอพนสับอวิชชาจันหาอวปาฐานท่านจึงอยู่สะดวกปสบายใจนําเอาความรู้อันนั้นมาแนะพวกเราสอนพวกเราพวกเราผู้ที่มุ่ง ม, มาตราฐานความสุขความเจริญก่อคืนคิดนิพิจารณาให้เห็นผู้ร้ข้องตน เด่นดวงออกไปจากความรู้ Japan, ที่ปลอมๆด้เยเหยื่อปนไปด้วยกิเลสตัณหาเหมือนกันกับผู้สลักนำเอาเสือกเอามันไปทําให้สุกเสียก่อนซึงมาขบมาฉันมาอยู่มากินแต่เป็นพิษเป็นไทยแก่ร่างกายของเขาชั้นใดจิตใจของเราที่แบบเป็นพิษเป็นไทยที่มีกิเลดตัณหาเหยื่อป น, นอยู่ก็พากันฝึกฝนอบรมด้วยวิธีการต่างๆ เอาความผ่าความเพียรเอาความอดความทนเข้าสู่ตนกับเรื่องของกิเลสปัญหาเยอะก่อนเจนกิเลสปัญหาสงบระงับหรือดับไปด้วยเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องขับไล่เรื่องของความเชื่อช้าลามกซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้เราเป็นทุกข์หายออกไปจากใจของเราใจของเราจะสว่างสวายใจของเราจะเบาสบายใจของเราจะหายจาก ความทุกข์ต่างๆเกลียดนั้นขอทุกท่านจงหมั่นที่นิิเจรละนานำธรรมะของข้อพรเจ้าเข้าไปฝึกผลตายวายใจของตนจนเกิดผลคือความบริสุทธิ์เมื่อต่างท่านต่างคนอุตสาหฝึกฝนอบรมตนของตนจนถึงที่สุดมิมุดได้ก็จะมีความสุ่ตายสบายใจ เมื่อจากพบบาปชาติไปก็จะไม่มีทุกข์อีกเหษนั้นกรั้นี้การอธิบายธรรมะถ้าหากจะอธิบายได้มากกว่าเด็กจนเหนื่อยเหตนั้นจึงนําธรรมะที่อธิบายมานี้พากันไป่อปฏิบัติดูจนให้รู้ให้เข้าใจในตนของตนการอธิบายธรรมะขอเห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติตเช่นนี้เอวัง